ช้ามืดอากาศเย็นๆแบบนี้กาคงรู้สึกว่านั่งบนบ่าดีกว่าดั่งบนพื้นกระดานเพราะว่าบนี้อุ่นนะส่วนพื้นกระดานนี่เย็นแต่ถ้าให้เลือกระหว่างเดินบนพื้นกระดานกับเดินบนพื้นกระเบื้อง เราคงอยากจะเดินบนพื้นกระดานพื้นไม้มากกว่าพื้นกระเบื้องเพราะว่าพื้นกระเบื้องนี่มันเย็นกว่าพื้นไม้ยิ่งถ้าเดินบนพรมด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเพราะพรมมันอุ่นนะกระเบื้องนี่มันเย็นที่จริงเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นไม้เบาหรือพรมเนี่ยถ้าเราเอาตัว ม, มิมโตรหรือเครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยไปวัดเนี่ยก็จะพบว่ามันอุณหนภูมิมันเท่ากันนะ เ, เท่ากับอากาศที่อยู่โดยรอบแต่ที่เย็นเนี่ยนะ ความเย็นเนี่ยมันเกิดที่เรามากกว่าความเย็นเนี่ยมันไม่อยู่ที่พื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้แต่มันเกิดจากความรู้สึกของเราเพราะเวลาเราเหยียดพื้นกระเบื้องเนี่ยนะอุณหภูมิในตัวเราเนี่ยมันจะถ่ายเทไปสู่พื้นกระเบื้องได้เร็วได้มากกว่าเวลาเรา เดินมนพื้นไม้หรือเวลาเรานั่งอยู่บนเบาะไม้หรือเบาะเนี่ยมันเป็นสื่อ น, นำความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นการถ่ายเทจากอุณหภูมิจากร่างกายเราไปสู่พื้นไม้ไปสู่เบาะเนี่ยมันก็เลยช้าเราก็รู้สึกว่ามันอุ่นนะเมื่อได้สัมผัส หรือว่าเย็นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นกระเบื้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยความเย็นเนี่ยมันไม่อยู่ที่พื้นกระเบื้องนะแต่มาอยู่ที่ตัวเราคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้าจะว่าเป็นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเยอะเลยนะมันไม่อยู่ที่สิ่งนั้นนะ มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียนนะท่านไปปฏิบัติธรรมที่สำนักหนึ่งแล้วก็ระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็เห็นธรรมด้วยวิธีการของท่านเองและวันนั้นเนี่ยวันที่ท่านเห็นธรรมเนี่ยรู้ธรรมเนี่ยอาจารย์ก็มาสอบอารมณ์มาถามท่านว่าเกลือเค็มไหย หรือว่าเชียนซึ่งตอนอมาเป็นโยมเนี่ยท่านตอบว่าเกลือมนอยู่ในกระปุกนะผมยังไม่ได้เอามาใส่เข้าปากมันก็เลยยังไม่เค็มครับคำาอูเช น, นี้เนี่ยนะหรือคำตอบเนี่ยดูเหมือนเป็นโมหารนะแต่จริงๆถ้าดูให้ดีมัน มันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยความเค็มเนี่ยมันมอยู่ที่เกลือแต่มันอยู่ที่ลิ้นของเราเพาลิ้นของเราเนี่ยมันก็มีปุ่มที่รับรสแล้วก็รสที่สัมผัสนะที่ลิ้นของเราเนี่ยมันก็ส่งสัญญาไปที่สมอง สมองก็ดีความว่าเนี่ยเค็มล้วคนที่ไม่มีปุ่มรับรดความเค็มเนี่ยเอาเกลือใส่เข้าไปในปลาเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเค็มเลยแล้ก็คงเหมือนกับสัตว์หลายชนิดนะที่เขาไม่มีปุ่มรับลดความเค็ม เพราะันแม้เจอเกลือนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเกลือหรือว่าเกลือที่มาละลายน้ำเนี่ยก็ไม่รู้สึกเค็มเลยความหวานก็นเหมือนกันนะความหวานมันไม่อยู่ที่น้ำตาลนะแต่มันอยู่ที่ลิ้นของเราเพราะว่าลิ้นของเรามันมีความสามารถในการรับรสหวานได้ ถ้าเป็นคนบางคนหรือว่าสัตว์หลายชนิดเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่าน้ำตาลมันหวานถ้าเราพิจารณาเราดีๆนะโรครอบตัวเราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคุณสมบัติต่างๆของสิ่งที่เราประสบสัมผัสเนี่ย มันอยู่ที่ตัวเรามากเลยนะไม่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะอย่างต้นไม้เนี่ยเราเห็นเป็นสีเขียวทะเลเนี่ยเป็นสีครามเปลวไฟเนี่ยก็สีแดง แต่จริงๆเนี่ยนะไอ้สีเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากการตีความในสมองของเราอย่างที่เราทราบดีน ะ, ะสิ่งต่างๆเราเห็นได้เพราะมันมีแสงสะท้อนสิ่งนั้นสะท้อนจากสิ่งนั้นเนี่ยแล้วก็มากระทบตาเรา เราเห็นต้นไม้นะเพราะว่ามันมีแสงมากระทบต้นไม้แล้วมันก็สะท้อนมาสู่ตาเราในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีแสงบางแถบที่ถูกดูดเอาไว้แล้วก็มีแสงบางแถบที่สะท้อนมาสู่ตาเราเชนต้นไม้เนี่ยนะมันก็ดูดเอา แสงสีอื่นหมดเลยแต่มันสะท้อนสีเขียวมาสู่ตาเราอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เล็กแต่จริงแสงสีเขียวเนี่ยนะมันก็เป็นคำพูดนะเพราะว่าถ้าเรามองลึกๆเนี่ยอนุภาคของแสง ที่สะท้อนจากต้นไม้มาสู่ตาเราเนี่ยมันไม่มีสีนะอนุภาคของแสงเนี่ยพอมันมากระทบกับเรติน่าหรือจอตาเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญญาณนะหรือสัญญาไ ฟ, ฟฟ้าก็ได้เนี่ยส่งมาที่สมองสมองก็ ดีความหรือว่าปรุงนะเป็นสีเขียวสีฟ้าจากทะเลก็เหมือนกันนะแสงสีฟ้าจริงเนี่ยมันก็เป็ น, ป น, ปนกาเป็นคำพูดโดยสา ม, มัญ น, นะจริงๆเนี่ยมันก็คืออนุภาคอนุภาคของแสงซึ่งไม่มีสีสีมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมันกระทบ ตาเราหรือจอตาแล้วก็กลายเป็นสัญญาณไปสู่สมองสมองก็ตีความว่าเนี่ยสีฟ้าแต่ว่าทะเลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสีฟ้าอย่างที่เราเห็นสีฟ้ามาอยู่ที่หัวของเราเสียงนานาชนิดก็เหมือนกันนะเสียงจากนก ก็อย่างห น, นึ่งเสียงจากม้าเห่าก็อย่างหนึง่งมันต่างกันอย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมันเป็นแค่เป็นเพียงแค่คลื่นนะของความสันสนส่นสะเทือนเสียงเกิดจากคลื่นสั่นสะเทือนแล้วคลื่นนั้นมันก็มากระทบหูเราแต่คลื่นที่สั่นสะเทือนเนี่ยมัน มันเงียบนะมันเงียบมันไม่มีเสียงต่อเมื่อสัญญาณมันมาถึงสมองของเราเนี่ยนะจึงตีความว่ามันคือเสียงกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นกุหลาบเนี่ยกลิ่นกุหลาบเนี่ยมันมาเกิดจากโมเลกุลนะที่กุหลาบปล่อยมาโมเลกุลของกุหลาบเนี่ยมันก็ไม่มีกลิ่นนะ แต่พอมันกระทบกับจมูกของเราจมูกของเรามันก็มีปุ่มนะรับกลิ่นมันก็ส่งสัญญาณไปที่สมองสัญญาณพอไปถึงสมองสมองก็ตีความว่า น, นี่กลิ่นกุหลาบ ก, กลิ่นอุจจละก็เหมือนกันนะมันก็ทำงานแบบเดียวกันแต่ว่ามันเราจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ต่างกันงั้นถ้ามอง แบบนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าโรคที่เราเห็นที่เราได้ยินได้กลิ่นเนี่ยหรือที่เรารับรู้มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเค็มมันจะหวานมันจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือว่ามันจะหอมหรือเหม็นเนี่ยไม่อยู่ที่ตัวเราเนี่ เมื่อที่หลวงพ่อเทียนบอกเนี่ยความเค็มเนี่ยมันอยู่ที่ลิ้นของเราเนีมันไม่อยู่ที่เกลือถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะพบว่าแม้กระทั่งสุขหรือทุกข์เนี่ยนะที่เราคิดว่าเนี่ยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันทําให้เราสุขทําให้เราทุกข์เนี่ยนะจริงๆความสุขหรือทุกข์เนี่ยก็อยู่ที่ ใจเราเนี่ยยิ่งกว่าอะไรอื่นมันไม่อยู่ที่สิ่งนั้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอเจอนั่สุขคืออะไรนะสุขก็คือสุขเกิดขึ้นเมื่อเราได้พบกับสิ่งที่ถูกใจแต่ถ้าเราจเจอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็เรียกว่าทุกข์แต่สิ่งที่ถูกใจ หรือไม่ถูกใจเนี่ยมันก็อยู่ที่การตีความหรือการให้ค่าเนี่ยในใจของเราการรับรู้โรภายนอกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการตีความของสมองนะส่วนหนึ่งแล้วของใจเราอีกส่วนหนึ่งสมองรับรู้ กลิ่นบางชนิดนะเป็นกลิ่นกุหลาบอันนี้เป็นเรื่องของสมองใจมันก็ตีความว่าหอมถ้ากลิ่นอุจจระนะเรารับรู้เนี่ยสมองก็บอกเนี่ยกลิ่นอุจระเป็นแบบนี้ใจเราก็บอกเนี่ยตีความวาเหม็น เมื่อเรารับรู้ความเค็มนะอันนี้สมองเนี่ยมันทำหน้าที่บอกเราแต่ว่าใจเนี่ยเป็นตัวที่ดีความหรือให้ค่าว่าเนี่ยอย่างนี้ดีหรือไม่ดีถ้าเค็มนี่ก็ไม่ดีแต่ถ้าหวานดีแต่ในบางครั้งเนี่ย หวานเนี่ยกลายเป็นไม่ดีเข้เนี่ยกลายเป็นดีไปอันนี้มันเป็นเรื่องของใจซึ่งมันทำงานเนี่ยต่อจากสมองสมองเนี่ยมันรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วอาจจะถูกกำหนดโดยยีนโดยพันธุ ก, กรรม ที่มาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอเจอต้นไม้มันก็เห็นเป็นสีเขียวพอเห็นพอเจอทะเล ก, ก็เห็นเป็นสีครามพอเจอไฟเปลวไฟก็เห็นเป็นสีแดงสีส้ม อันนี้เนี่ยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดนะแต่ว่าการที่จะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆเลยสวยไม่สวยหอมหรือเหม็นนะอ่าอยู่ที่ใจของเรา ภยัยร้อหรือว่าน้าําคาญนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของใจเราใจาเราเป็นตัวบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถูกใจเงี้ไม่ถูกใจพอเจอสิ่งที่ถูกใจก็ทุกข์พอเจอสิ่งที่ถูกใจก็สุขเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ซึ่งมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์อย่างที่บอกนะเข้มในบางครั้งเนี่ย เค็มในบางครั้งเนี่ยมันดีอร่อยแต่ในบางคราวนี่มันไม่ดีหวานบางครั้งเนี่ยดีแต่หวานบางครั้งนี้ก็ไม่ดีเช่นหวานจากขนมเนี่ยดีแต่หวานในกว๋วยเตี๋ยวอันนี้ไม่ดีเค็มในกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอาจจะดีแต่ถ้าเค็มในไอศครีมเนี่ยไม่ดีไปแล้วดีที่ใจ สมองนี่เราทำอะไรกับมันไม่ได้นะเพราะว่ามันถูกโปรแกรมมาแล้วแล้วก็มันทำได้ดีแล้วล่ะทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ะอย่างปกติถูกต้องแต่ใจนี่นะเราเปลี่ยนได้นะหมายถึงว่าเปลี่ยนการตีความการปรุงแต่งการตีค่า บางครั้งเนี่ยนะเราจะเจอเสียงที่ดังแต่ว่าพอเราปรับใจเส้นใหม่นี่มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกใจไปเลยก็ได้นะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งนั่งสมาธิยามเช้าจะก็นั่งทุกวันนะทุกเช้าวันละส0นาทีแล้วก็นั่งได้ดีทุกวันนะ วันนึงเนี่ยขณะที่นั่งอยู่เนี่ยใจก็สงบแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเสียงจากห้องบ้านข้างเคียงเนี่ยมีการก่อสร้างทีแรกก็เสียงค้อนเสียงค้อนยังไม่เท่าไหร่นะต่อมาก็เสียงเลื่อยไฟฟ้าเสียงเลื่อยไฟฟ้ามันมันระคายโสตประสาทมากเลยนะ พอเสียงเขาตบหัวนิจใจเขาก็เพื่มเลยแต่เขาก็มีสติทันนะเห็นอาการกระเพื่อมของใจรู้ทันความไม่พอใจที่เกิดขึ้นใจมันก็สงบแต่สักพักพอเผล่นะใจก็กระเพื่อขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นพอรู้ทันปุ๊บอนะ่ะมันก็สงบลง เนอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะจนทั่ ง, ทงเนี่ยเขาลองเนี่ยเอาใจเนี่ยไปพิจารณาเสียงเลื่อยยนต์เสียงเลื่อยไฟฟ้าก็สังเกตเออเสียงมันทีมีขึ้นมีลงมีลากยามีกระชากกระชันมีเสียงสูงเสียงต่ำ ดูดูไปมันเหมือนเสียงเพลงเลยนะเหมือนเสียงเพลง Heavy ่ e ฮฟวตอนที่ที่เขามอเป็นเสียงเพลงนะใจก็สงบเลยเพราะว่าเขาชอบเสียงเพลงเสียงยังดังอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์แล้วมีบางช่วงเสียงเรื่อยจนมันหายไป ใจก็ยังอยากจะให้เสียงมันกลับมาดังใหม่นะเพราะว่าเกิดเพลินกับเสียงนั้นซะแล้วอาทิตยแรกนี่หงุดหงิดนะไม่พอใจกับเสียงเนี่ยแต่คราวนี้นี่กลับพอใจเสียงก็เสียงเดิมนะสมองก็ยังทํางานรายงานการรับรู้ของเสียงนั้นว่าเป็นเสียงอย่างนี้อย่างนี้ แต่ใจนี่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่มองว่าเป็นเสียงรบกวนระขายสวดประสาทเปลี่ยนมาเป็นมองว่ามันคือเสียงเพลงไอ้ที่เคยทุกข์ก็กลายเป็นหมดทุกข์เลยที่เคยหงุดหงิดก็กลายเป็นความพอใจนี่มันปรับได้นะอันนี้เราเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นสุขได้ เปียนจากสิ่งที่ไม่ถูกใจกลายเป็นความถูกใจได้มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ฝึกได้เหมือนกับที่เคยเล่ากเรื่องนึ่นะเด็กผู้หญิงสามขวบนี่เจอเสียงประทัดก็ตกใจร้องไห้แล้วไม่ใช่แค่ประทัดนะเสียงระเบิดด้วยนะเพราะว่าเมืองที่เธออยู่ในซีเรียเนี่ยมัน มีสงครามเครื่องบินเนี่ยจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจิงระเบิดตูมตูมตูมนวันหนึ่งนี่ก็หลายเที่ยวเด็กพอ่อที่ยเสียงระเบิดก็ตกใจร้องไห้วันหนึ่งเด็กที่ยินเสียงประทัก็ตกใจอีกนะพ่อก็เลยอุ้มมาดูเด็กที่กำลังเล่นประทัดกันพาเด็กมาดู พาลูกมาดูเด็กที่กลังเล่นประทัดกันเลาให้เด็กจุดประทัดพอเด็กจุดประทัดเด็กก็หัวเราะดีใจหญิงสาวลูกสาวนั้นเห็นเออเสียงนี่มันเสียงของความสนุกเนี่เวลาจุดประทัดทีไรคนก็มีความสุขสนุกสนานกัน เด็กคนนี้ก็เลยพลอยสนุกไปเขากับเขาไปด้วยพอเด็กจุดประทัดอีกแกก็หัวรเราะนะแต่ก่อนนี้ร้องไห้ตอนนี้หัวเราะแล้วตอนหลังพ่อเนี่ยสอนลูกว่าเนี่ยเวลาเครื่องบินมันทนะิ้งระเบิดนะไอ้เสียงระเบิดมันก็เสียงประทัดนี่แหละ ต่อหลังเนี่ยพอมีเครื่องบินเอาระเบิดมาทิ้งตูมนะเด็กสาวได้ยินนะไม่ร้องไห้หรอกหัวเราะหัวเราะเพราะว่าไปคิดว่ามันเป็นเสียงแห่งความสุขนะอันนี้เราว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปนะเพราะว่าใจมันเปลี่ยน เสียงยังดังเหมือนเดิมพาอสมองเธอก็ยังปกตินะแต่ว่าการให้ค่าหรือการตีความเมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนตกใจนะกลัวแต่ตอนนี้หัวเราะเวลาเครื่องบินมาพ่อก็เลยเล่นเกมนะว่าเนี่ยเสียงอะไรเสียงระเบิดหรือเสียงเครื่องบิน เด็กบอกเสียงระเบิดนะระเบิดดังตูมเด็กัวยเลาะเลยอันนี้จะเรียกว่าสุขลรทุกอยู่ที่ใจก็ได้แล้วมันก็ชี้เห็นว่านะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งรอบตัวเราเนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือนะเปลี่ยนที่ใจของเรา เปลี่ยนจากการมองว่านี่ไม่ถูกใจกลายเป็นความถูกใจไปหรือจะมองว่าเนี่ยจากสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยแต่ว่ามันถูกต้องนะพอมองมันถูกต้องก็โอเคนะอย่างเช่นความขมเนี่ยความขมเนี่ยคนเราไม่ชอบนะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณก็ได้ ติดติดมาแต่พอเรามองว่าเออมนี่ดีนะมันเป็นยานะมันช่วยทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายไม่ถูกใจก็จริงแนตะ่มันถูกต้องนะต่อร่างกายพอเรากินเข้าไปก็ไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้เพราะใจเรานะเปลี่ยนไป หรือจากสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนเป็นความถูกใจไปซะเพราะว่าการตีค่าอาการให้ค่าหรือการตีความของใจมันเปลี่ยนไปความยากลาบากนี่ไม่มีใครชอบนะเจอทีไรก็รู้สึกไม่ถูกใจเลยแต่พอพอมองว่าเออมันมีประโยชน์นะมันทำให้เราเข้มแข็งมันทำให้เรามีประสบการณ์มันดีนะ พอมาแบที่เข้าเนี่ยใจมันก็ไม่ถูกแล้วสิ่งรอบตัวเราเนี่ยบ่อยครั้งเี่เราทำอะไรกับมันไม่ได้แต่เรายังทำที่ใจของเราได้อันนี้เป็นอิสระนะเป็นอิสระภาพอย่างหนึ่งนะที่ธรรมชาติให้กับเราไม่ใช่ว่าพอเราเจอสิ่งใดก็ตามนะที่มันทงความ ไม่สบายไม่สะดวกให้กับเราเราจะทุกข์เสมอไปเรายัางสามารถที่จะเปลี่ยนนะจากทุกข์ให้กลายเป็นสุขหรือกลายเป็นความไม่ทุกข์ได้อันนี้มันเป็นทางเลือกนะที่มันให้อิสระกับเราทำให้เราสามารถที่จะมีความสุขได้ในท่ามกลางสิ่งต่างๆที่ ในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกไม่ถูกใจเชื่อเดียวกันนะเวลาเจอความเจ็บความป่วยเนี่ยธรรมดานะมันก็ต้องมีความ ม, มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะระบบประสาทของเรามันก็รายงานส่งสัญญาณให้เรารับรู้ถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ทุกแต่กายนะแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะนั่นอยู่ที่ใจของเรา เราสามารถที่จะฝึกใจของเรานะให้มันเปลี่ยนจากทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์หรือทุกข์แต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยใจไม่ทุกข์ก็ได้งั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เนะี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการที่หันกลับมาดูใจของเราว่าใจของเรานี่มีส่วนทำให้เกิดความทุกข์ ในยามที่เกิดผัสธะคือหรือเปล่าแล้วก็รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนการปรุงแต่งการตีค่าจากลบให้กลายเป็นบวกจากทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์จากความไม่ถูกใจก็เป็นความถูกใจได้อ้าวชานิพุทธนณีนะ